ทำใจที่ปร่องอยู่ให้เต็มขึ้นทำเป็นตัวอย่างคิดคน้นค้นคว้าหาข้อมูลจึงได้มาเป็นพระธรรมการกําหนดบทเพรชชนะก็มีการใคร์กรวนพิจารณาอย่างดีกําหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในคาพูดจึงออกมาเป็นพระธรรมได้จึงออกมาเป็นธรรมโมได้จึงออกมาเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนมรดกที่ทิ้งไว้ให้เราได้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 เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรอบรู้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจ apologized. นะว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกันเป็นลักษณะของทุกขอริสัตย์เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็ cool. นธรรมดาเกิดขึ้นได้ดับไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราควรจะต้องทาความเข้าใจว่า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 เกิดขึ้นตามเหตุปจัจจัยปาาเจ้าความอยากเอาไปก่อนความอยากแยกออกไปก่อนความอยากและความไม่อยากแยกไปส่วนหนึ่งก่อนเอาทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์นี้ให้ได้ก่อนพยายามให้เห็นธรรมโมตรงจุดนี้ให้ได้ว่าทุกขริยสัตว์เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้อันนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้งแรกที่ป่าอิศิปตนะมฤคตัยวันบอกว่าความทุกข์คือสัจจะ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 มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพยายามทำจิตให้มีกำลังส่งไว้ซึ่งพละส่งไว้ซึ่งอินสีนั่นคือพละหอินสีหคนที่มีกำลังมีพลังใจอย่างนี้ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยทำจริงแน่แ น, แ น, แน่จริงแล้วก็ทำโภชงเจตให้เกิดขึ้นได้มีโภชงเจแล้วแนว่นอนดระวังทั้งหมดนี่แหละรวมลงในอริยมรกมีองคปในธรรมะในนี้